พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22ิชื่ออังคุตรานิกายปัญจกะจักกะนิบาทเป็นสุดตันตะปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งชื่อปัญจกะนิบาทว่าด้วยธรรมะจำนวนหตอนที่สองชื่อจักกะนิบาทว่าด้วยธรรมะจำนวนหกปัญจกะนิบาท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 คือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาวักที่สองชื่อพละวักว่าด้วยธรรมะอันเป็นกําลังวัคที่สามชื่อปัญจัคิกาวรกว่าด้วยธรรมะมีองค์ห้าวักที่สี่ชื่อสุมาณวัคว่าด้วยนางสุมาณราชกุมารีวักที่ห้าชื่อมุนทราชวักว่าด้วยพระเจ้ามุนทะ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 ตะกัวและเงินเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งทองฉะนั้นเมื่อจิตปราศจากเครื่องเศร้ามองเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญาหกมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นมีการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเป็นที่สุดทรงแสดงว่าบุคคลผู้ทุศีลมีศีลละวิบัติย่อมไม่มีคุณธรรมดังต่อไปนี้ ขาดอุปนิสัยคือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบยถาปูตยานัทสนะความเห็นด้วยญาณตามเป็นจริงนิพพิธาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดวิมุตยานัทสนะความเห็นด้วยญาณซึ่งความหลุดพ้นถ้ามีศีลก็ตรงกันข้ามคือมีคุณธรรมเหล่านี้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 มีกายสงบเวยสุขมีจิตตั้งมั่น2ภิกษุแสดงธรรมที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วแกบผู้อื่นโดยพิสดารก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมั่น3ภิกษุตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมั่น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 มีกายนี้เต็มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ3ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สมีกายนี้เต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติ4ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สี่แผ่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปสู่กายนี้5ภิกษุถือเอานิมิตในการพิจารณาด้วยดีใส่ใจด้วยดี ทรงจําด้วยดีแทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในการพิจารณานั้นเมื่อเจริญทําให้มากซึ่งสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภิน ญ, ญาหกมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นทรงแสดงอานิสงส์งในการเดินจงกรมหประการการเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาด้วยความมีสติ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 ย่อมยินดีความสุขอันไม่สะอาดความสุขเกิดจากการนอนหลับและความสุขอันเกิดจากลาบสกา ร, ระชื่อเสียงแล้วทรงสแสดงว่าหนึ่งอุจจาระปัสสาวะย่อมมีแก่ผู้ที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรส 2. ความเศร้าโศกเป็นต้นย่อมเกิดเพราะความปรวนแปรเป็นอื่นแห่งสิ่งที่รัก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 และมีศีลที่พระอริยเจ้าใครว่าจะเข้าถึงสุขคติไม่เข้าถึงทุกขติเมื่อล่วงลับไปหลานชายของเมธั ก, กะเศรษฐีชื่ออุกคะหะนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุรวมสี่รูปไปฉันแล้วขอให้ตรัสสอนหญิงสาวหลายคนที่จะไปสู่ส ก, กุลแห่งสามีจึงประทานโอวาทห้าคือหนึ่ง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 ในทานองเดียวกับข้อความข้างต้นพระนาระทะอยู่ในกุกุกตารามกรุงปาทลีบุตรทูลพระเจ้ามุนทะผู้ไม่เป็นอันเสวยเมื่อพระนางพัธาเทวีสวรคตในทานองเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้างต้นสำหรับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังปรินิพาน เมื่อสร้างกรุงปาตลริบุตรแล้วแต่เนื้อธรรมะยกของเก่ามาแสดง